ปิศยาได้ว่นี้ใช่ว่าชนชาติจีนอาจจะเป็นพวกเดียวกับพวกเผ่าอัล ก, การเรียนซึ่งเป็นพวกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในลุ่มแม่น้ำไพลครึ๊บยู่เป็ตซึ่งอยู่ในดินแดนที่เรียกกันว่าเมโสโปตามีอาหรือที่เรียกันว่าเอเชียไมเนอร์ทั้งนี้ทำไมทั้งนี้เรายว่ายีนจะเป็นพวกเดียวกับพวกเผ่าอักาเรียนเขาก็มันมีฐานจากตัวอักขระคืออักษระตัวเขียน พข้าวอัครียนนั้นมีลักษณะตัวอักษรเป็นพร <Please. S 2> ้อมแบบเดียวกับตัวอักษรจีนซึ่งต้นรากเล่มจีก็เกี่ยวกับเรื่องเป็นตัวอักษรรูปภาพเช่นอย่างว่าจะเขียนตัวเกี่ยวกับพระอาทิตย์ก็เขียนเป็นวงกลมๆลักษณะไหนก็เป็นจุดแสดงเห็นว่าเป็นพระอาทิตย์โอ้พระพระอาทิตย์นั้นตามหลักดาราศาตรก็ถือว่ามีจุดจำในพระอาทิตย์เหมือนกันเพราะเหตุนั้นตัวทีนที่เขียนเป็นนักตั้งศักดิ์ทิศ ก็มีลักษณะแบบนี้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าว่าได้ดัดแปลงจากวงกลมอันจป็นอาักษรในโครงข่ายอักษรยันมาเป็นสี่เหลียมลมยกักษณะไหนก็ไอตัวตุกนั้นก็เขียนขีดขีดข ว, ว, วางเป็นขีดหนึ่งออกเสียงว่ายิ้ดในภาษาแต่ผิวออกเสียงในภาษาจีนกลางว่าหยู่อย่างนี้อ่านื่องจากการไม่ได้ใช้ตัวอักษรของจีนโบราณในสมัยที่ยังเป็นรูปภาพประยุกต์แทนความหมายอยู่ใกล้เคียงกับตัวอักษรโบราณของโครงข่ายอักษรยันนี่กระตัน อีประการหนึ่งชชาติอัสการิเนีย น, นยเป็นชอบเป็นชาติที่สร้างไปเติอยู่ในพวกทะเนจอนเลียงปะทุสัตว์ในพื้นหญ้าแตงเอเียไมเนอร์เพราะฉะนั้นลักษณะการสรา ง, งเต้นรูปสร้งไปเติมขชาติอัสการิเนียนชาวจีนก็ถ่ายแบบมาลักษณะหลังคาลูกคู่บ้านจีนโบราณหลังคาเปรี้ยวๆเป็นชายคาเสร็จจับหุบติดดินเนเป็นลักษณะของสกระเต็นลักษณะตามมาจากกระจมหรือเต็นของจีนในสมัยก่อนนี่อีกประการ และการที่สามก็เกี่ยวกับโรคไข้ไข่เจ็ดพวกไข้เจ็บชนชาติอัสตราเลียนกับชนชาติจีนนั้นมีโรคไข้ไข่เจ็ดที่ใกล้เคียงกันในจุดการที่สามการที่สี่ก็เกี่ยวกับเส้นทางเดินวัฒนธรรมของจีนปรากฏ ว, ว่าในชงเซนานจีนก็เล่าวออ่าพวกขงเขาเองเนอีอ่ยอบรรลุมจากทางทิศตะวันตกจากที่ราบสูงทางทิศตะวันตกของจีนแล้วก็เดินมาตามรูปน้ํนาเหลืองเดินมาตามรูปน้ําเหลืองมุ่งมาทางตะวันออก คนโบราณการอพยพเนี่ยมีสองพวกด้วยใจพวกหนึ่งแยกไปทางตะวันออกพวกหนึ่งแยกไปทางตะวันตกแต่วนใหญ่แล้วสังเกตได้ว่าพูกที่ยุบมทางตะวันออกเนี่ยมีมากเพราะพวกคนเราคนโบราณนั้นถือตามลัทธะอภิษฎอุทัยว่าเป็นสัญลักษณ์ของตัวเอกงคนเป็นความสว่างสวยแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นการจะทําอะไรการจะเดินทางไปไหนก็มักจะถือดวงอาทิย์เป็นเกณฑ์มุ่งตะวันออกก็เป็นส่วนมากแม่ชาวอารยันที่มาอินเดียก็ถือดวงอิทิตย์เป็นเกณฑ์เดินไปอพยพมาทางตะวันออก เอาอัครเรียนสมุนกันคงจะมีสมัยใดสมัยหนึ่งเกิดการอัศวัตแกรนแทนหรือเกิดข้อสงคามที่ชนชาติอื่นที่เจริญขึ้นมาเบียดเบียนทําให้คนเผ่านี้ต้องยแกอยกแยอสยบหลบภัยหรือถล่มขยายหาที่ทาเลหากินใหม่เพราะเหตุนั้นจึงมีชนเผ่าอักครเรียนสาขาหนึ่งด้วยคือรวมเอามองโก利亚น้อยรวมเอาแมนจูรียแล้วก็รวมเอาจินเตียงหรือปะลกจนถามทีนและวรวมอาพิเบ็ตจึงเป็นประเทศที่ใหญโตอ ย, อย่างนั้น ถ้าตัดประเทศทุคนเขาอื่นไปแล้วลําพังจีนแท้ๆคิดเอาโน้ตที่ในบริเวณมุมแน้ําเหลืองจากแม่น้ํำยางสีเทียงแล้วกีนก็ไม่ถึงขนาดซ้อนใหญ่กับประเทศไทยถึงยี่สิบห้าเท่ารอกอย่างมากก็ใหญ่กัวกันสิบกว่าเท่าเท่านั้เองที่ว่าใหญ่ถึงยี่สิบห้าเท่าก็ไปรวมบริแดนดังกล่าวมาจากคนชาติอื่นเขาเมื่อคนชาติอิดอพยศเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในภาคตะวันตกของจีนเดี๋ยวนี้ในทางประเทศจีนแท่เดี๋ยวนี้คือบริเวณสองฝั่งของแม่น้ําเหลืองจากแม่น้ํำยางสีเทียง ไม่ใช่เป็นที่รกร้างาเปล่าแต่เพราะว่าเป็นดินแดนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นเป็นที่เจ้าของเดิมในท้องถิ่นเหล่านี้ก็คือคนไทยเราแล้วก็พวกแม้วพวกมูโซตพวกกระเรียงพวกจีนจิ้นกระกินปกติที่ไม่ตะจีนนะตระจินมันเป็นพวกหนึงเอาดาวพวกหนึ่งในพม่าเดี๋ยวนี้ภมิภูมิกำเนิเดิมก็อยู่ในจีนแทะคนเหล่านั้นน่ะคืรัฐอารยธรรมสู้พวกพิมาใหม่ไม่ได้เพราะพวกพิมาใหม่ได้รับความเจริญอย่างสูง ในรูปแนวนาเอเชียไมเนอร์คือเป็นดินแดนโบราณมีความกระโดดราวหมื่นปีมาแล้วเพราะฉะนั้นหนูประเทศค น, คนชาติเหล่านี้สู้พวกีมาใหม่ไม่ได้กพถูกคุกีมาใหม่เนี่ยลุกรานพ่ายแพ้ไปที่ไม่ยอมพ่ายแพ้อยู่ต่อไปถาถูกกลืนกลายเป็นชาวจีนไปก็นี้ด้วยตลอดระยะเวลาประมาณก่อนพุทธศตวรารษ 5,000 ปีประวัติศาสตร์จีนได้เริ่มบทที่หนึ่งเมื่อก่อนพุทธศตวรรษประมาณ 5,000 ปีนะลงคือเชื่อถือกันอย่างนั้นแต่ว่าข้อที่จริงแล้ว พ้ว่ากันตามเนื้อหาทางโบราณคดีเราเอาไปมั่นเหมาะสะละเห่าวก่อนพุทธกาลประมาณสากักสอง 2,000 ันปีคือสี่พันปีวันนี้เองกวัติศาสตร์ริงในเรื่องมาประมาณสี่พกว่าปีก็เต่าแก่เพราะพอกับผู้อารยันที่อพยพเข้ามาอินเดียในสมัยพระเวท พ, พ, พอกันในสมัยนั้น น, ะ น, น่ะเรจะเรียกได้ว่าเป็นสมัยที่มนุษย์ในโลกนี้มีการถ่ายเทอพยพ ก, กันเป็นการโบราณคเป็นการใหญ่ปีเดียจากเหนือมาใต้าจากใต้ไปเหนือตะวันออกตะวันตกตะวันตกตะวันออกระเลเราไนักกัน ใน ก, การขยบทำเลขาจีนทางเป็นการใหญ่แในสมัยนั้นศาสนาดั้งเดิมที่ฝึกจินพาเข้ามาก็ได้แต่ศาสนาที่บูชาพระเตี้ยและปริรยเทศบูชาพระอาทิตย์แล้วก็บูชาเทวดาประจําธรรมชาติพวกเทวดาประจําดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่เป็นศาสนาดั้งเดิมของคนในสมัยโบราณทุกเผ่าทุกภาษาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะว่ายังหา<อ>ข้อกเปรียอธิบายข้อเท็จจริงในธรรมชาติไม่ได้หนูมายุ่งจีนแล้วมั่นช้า ก็ตั้งสั่งวัฒนธรรมบ้านเมืองเป็นหลักเป็นฐานสิ่งราชวงศ์กระักจีนโบราณที่เชื่อถือแต่เป็นหลักฐานก็คือราชวงศ์แห่ราชวงศ์แห้ตอนน่าราชวงศ์แห่ขึ้นไปก็ยังไม่มีอะไรเป็นหลักฐานที่ว่าราชวงศ์แห่เป็นหลักฐานว่าราชวงศ์แห่เป็นก่อพิษการประมาณพันปีเศษราชวงศ์แห้เขาค้นพบพวกคำจารึกคำจารึกเหล่านี้จารึกอยู่บนกระดูกสัตว์สมัยนั้นยังคิดประดาษไม่ได้คำจารึกอยู่บนกระดูกสัตว์เช่นกระดูก หมูกระดูกกวางแล้วก็บนกระดองเต่าข้อความการลุกเกี่ยวกับเป็นคำพยากรณเป็นคำพยากรณของโหราจารย์ประจํำราชสำนักต่างๆเด็กเสร็จีรวมหมดที่ทุกขุกพบแล้วประมาณแสนกว่าชิ้นด้วยกันซึ่งเนื่อมาเอากระดูกแสนกว่าชิ้นนี้มาประเพสประตอกันเข้าได้ก็พอให้ทราบเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนสมัย 4,000 ปีก่อนได้เป็นอย่างดีข้าจักรเชาชุนห้าอุมาราชุนมูรานอันดับสองราวเชาเซียง ซึ่งเป็นราชวงศ์ก่อนพุทธกาลติกุณกั น, กนแล้วก็ราชวงศ์อันดับสามคือราชวงศ์จิ๋วซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เกิดก่อนพุทธกาลแล้วก็พอหมดสิ้นลงเมงื่อพุทธศตวรรษแล้วสามร้อปีเศษราชวงศ์จิ๋วก็มีอายุยืนอยู่ประมาณแ800รปีประมาณแปดศตวรรษเดียวกันราชวงศ์จิันในสมัยราชวงศ์จิ๋วนี้ประเทศจีนก็มีขอบเขตเป็นเมืองจีนอย่างที่เราเห็นหมายความว่าอํานาจของอจีนได้แผ่ขยายล้ำลงมาถึงดุนงน้ำแยงซีเกียง ขับไล่พวกเจ้องถิ่นให้ถอยร่นมาทางยูนนานเป็นอันมากแล้วก็ยึดครองอ่าบริเวณสองฝั่งของแม่น้ําเหลืองกับแม่น้าําแยงซีเกียงไว้สร้างเป็นประเทศขึ้นมาในตอนนี้นะครับที่ว่าเป็นยุดครองแห่งความคิดอ่านของชาวจีนในวิวัฒนาการจากความเชื่อในเทวธรรมชาติมาเป็นความเชื่อในทางหลักปรัชญา ถึงได้มีนักสาะราชบัณฑิตเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นอันมากแล้วก็สละที่ว่านักสาะราชบัณฑิตเหล่านี้ตกร้องกับพุทธสมัยด้วยอาทิเช่นพันขงจี้เล่าจื้เป็นอาทิอ่าแต่ที่ว่าขงจื้ผู้นี้่ได้กล่าวถึงพระพุทธองค์ของเราอย่างประหลาดเพราะว่าครั้งหนึ่งองค์ตี้นึ่งมีอายุอายุเกิดก่อนพระพุทธเจ้าจะมีพานแปดปีคือพูดง่ายว่าเมื่อของจื้ออายุแปดขวบพระพุทธเจ้าเราดับขันทัศนีมีพาน เหล่าจอือมีอายุเกิดเกาะแก่กว่าคงจื้อประมาณยี่สิบกว่าปีเหลาจือนี่นักสากันอีกคนหนึ่งก็ตีเสว่าเมื่อพระส า, าวสดารของเราทรงมีพระชนมาายุได้หกิเจ็ดเหล่าจอือก็เกิดแต่ว่าเป็นหนุ่มในสมัยพุทธกาลเหล่าจอือส่วนคงจื้อนะ่ะเป็นเด็กในสมัยพุทธกาลเป็นเด็กเด็กแปดขวบอยู่เมื่อคนพุทธกาลไปในเวนลววานั้นจีนกับอินเดียยังไม่มีการติดต่อมีสายสัมพันธ์กันแต่ว่า ครั้งหนึ่งได้มีนักปราศคนหนึ่งถามาศาสดาของจิว่าท่านอาจารย์นะ่ะเป็นบรมปราชุดูยิ่งใหญ่หรือของจิอตอบบอกว่าฉันไม่ใช่บรมปราชุดูยิ่งใหญ่หรอกฉันเพียงแต่เป็นคนที่ใคร่ในการศึกษาและมีการสนับจับฟังมากเท่านั้นไม่ยอมรับเป็นบรมปราชุดูถามปรถามบอกว่าถ้ายกท่านอาจารย์เสียอ่า ตำอ้วนาำอ้วนในที่เนี้ก็คือจักรพรรดิ์จนโบราณที่บันดำดำรงสุธพิธราชธรรมสามพระองค์เป็นจักรพรรดิในนิยายที่ถือว่าปกครองราชสเดิล ด, ด้วยความสันติสุขอย่างยิ่งท่านทั้งสามเนี่ยเป็นบรมราชฎได้ไหมคงจื่อตอบอกว่ายังไม่ได้ท่านทั้งสามน่ยเป็นเพียงแต่ผู้ที่มีความเมตตากรุณาปกครองราชสเดิลโดยธรรมเท่านั้นเองผู้ถามก็ถามบอกว่า ยกตามอ้วนเสียงูตีจกักรพรรดิข้าพระองค์งูตีที่เียว่าตามเสียงไตจริีนนะเขาเสียงจริงกลาง ก, ก็ออกเสียงว่าอู่อูต่ตีอ่าซันหวางอู่ตีจิ้นเจ้าฟูมีคนคุยผู้ถามถามานะบอกว่าอน้ อ, นอจงจักรตามอ้วนคือจกักรพรรดิทั้งสามแล้วยังมีงูตีคือพระราชาข้าพระองค์ในอดีตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ขี่มีพุะธิดาจะทําอย่างเอกูปนั่นสมนะควรแก่กันยกย่องเป็นบรมปราฏิมาไหม คงจี้กระบอกยังไม่สมควรท่านทั้งห้านั้นน่ะเป็นเพียงแต่นักปกครองอันยิ่งใหญ่ที่มีสติปัญญาสูงเท่านั้นเองผู้ถา ม, มก็งงกระบอกถ้าอยงนั้นธรรมอาจารย์จะเห็นผู้ใดที่สมควรแต่การยกย่องว่าเป็นบรมประหลักคงจี้นิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่คล้ายตึดตรองแล้วก็กล่าวบอกว่าตัวของเ ข, เข้าี่ท่านได้ยินมาว่าในทางประเทศทางตะวันตก ขัดจักรมึงกินออกไปมีท่านผู้หนึ่งอุบัติขึ้นท่านผู้นี้สั่งสอนประชาชนโดยไม่ต้องใช้อาชญาแต่ประชาชนก็ยินดีน้อมรับปฏิบัติว่านั้นท่านผู้นี้ได้ยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนมากหลายโดยที่ไม่ต้องใช้สเสด็จบังคับบัญชาใดๆทั้งสิ้นแต่ประชาชนก็ยินดีจะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้แหละที่ฉันเห็นว่าควรเก็บเยียด ยกย่องว่าเป็นบรมประราชของโลกได้เพราะฉะนั้นจะค่อยทําสอบของของจื้อเนี่ยนักปราชุนหลังจึงมานิยามกันบอกว่าจะหมายถึงคือได้ประเทศตะวันตกขัดจากเมืองจีนก็คืออินเดียไม่ใช่เมืองไหนเลยแล้วก็ขงจื้อเรียกว่าเกิดร่วงพุทธสมัยได้เป็นเด็กกัสมัยพุทธกาลได้เพราะฉนั้นบรมประราที่ขงจื้อยกย่องก็ไม่ใช่ใครคือสมมาธรรมพุทธเจ้านั่นเองที่ว่าสองประชาชน ไ, ไม่ต้องใช้อาชียาแต่ประชาชนก็ยินดีปฏิบัติตาม อย่างนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเพราเป็นยุทธทองในอินเดียที่พระองค์ทรงป็นชนชีพสั่งสอนสัตววโรธอยู่นี่นะครับเป็นกระเป็นกระสายที่ชาวจีนจะรู้จักพระพุทธองค์แต่ว่าจะรู้จักโดยทางใดก็วินิจฉัยไม่ออกเพราะเวลานั้นความสัมพันธ์ในทางการพูดหรือการคมนาคมระหว่างสองประเทศนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็พเพียงแต่อาจจะรู้ว่าคงจื้องอาจจะได้ยินจากคําเล่ารือซึ่งพูดกันเล่ารือกันต่อๆกันมาซึ่งเด็ยก็จะเป็นกิจจิสัพที่โด่งดังข้างประเทศธมะกะดา มีเสียงประชาชนสะดวกดีพระพุทธองค์ว่าจงคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นคงชื่อก็ได้ยินแล้วนื่งจากคงชื่อนะ่ยมีบุคลิกคือว่าเป็นคนไม่จองของทองผลไม่มีมารณ์พิธีคือว่าตัวเป็นปราศเป็นคนอมตัวรล่นเป็นคนทำ ต, ตัวอย่างยิ่งอีเดียวคงชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขีดกันย้อมพูดตามความเป็นจริงและยกย่องตามความเป็นจริงว่าใครเป็นปาศหรือไม่เป็นศาศนี่เป็นลักษณะบุคลิกของคงจื่ เขาจีนขอนที่พุทธศาสนาจะแพร่อไปเขามีวัฒนธรรมและตรัชยาคำสั่งสอนที่ลึกซึ้งอยู่มากแล้วเขาจะเป็นชาติที่จเจริญมากแล้วมีความยืดหยุ่นภาคภูมิในมรดกของตนเองอย่างยิ่งจนถือว่าประเทศเขานะ่ะเป็นเป็นโลกเป็นใต้ล่าซึ่งในภาษาวรรณคดีใช้คำว่าเทียนเสียในภาษาจีนกลางภาษาจีนใต้จือออกเสียงว่าเทียนเสียาาาาแปล ว, ว่าถือว่าประเทศเขานะ่ะเป็นประเทศในใต้ ส, สวรรค์ในบังคับบัญชาของสกะผู้เเจ้า ส่วนประเทศอื่นึ่งตัวนอกเขตไม่ใช่จีนแล้วก็คือว่าเป็นประเทศของคมโยงคนที่ยังเป็นอนาระยะถ้าจะเทียบกับพวกอารยันก็พวกอารยันเท่านั้นที่มีความยิ่งทะยองในชาติกุ่ของตนถือว่าเป็นชาติเจริญส่วนชนชาติอื่นนั้นถือว่าเป็นเมริชับบ้างือเป็นพวกคนโยงหรือไม่ก็เป็นพวกสี่คนต่าคนดอยไปเลยทีเดียวนี่ต่างกันแบบโกงกันอย่างนี้อารยันกับจีนเพราะว่าทั้งสองสองชาตินี้เป็นชาติที่มีเป็นชาติเจริญอย่างยิ่งของเอเชียตะวันออก ไม่มีาไหนจะเจริญภาพแล้วในสมัยโบราณคําสอนทางปรัชญาและลัทธิศาสนาพุทธินายุคธก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปก็มีคําสอนท่านคงจื้อกับท่านเล่าจื้อเป็นเครื่องสอนเก่าจิตใจของประชาชนคําสอนทั้งนั้น่ะก็เข้ากันได้กับหลักธรรมในพุทธศาสนาคือคําสอนของคงจื้อเป็นไปในทางพิษทธรมิกรกัทประโยชน์ส่วนคําสอนของเล่าจื้อน่ะในทางสัมปรายกัทธประโยชน์นี่เพราะฉะนั้นเพราะว่า ทั้งเจ้าวัติทั้งสองนั้นได้สอนธรรมะที่เป็นสัพพิสะมิกระทะกับสัมตรายิกาทะไวแล้วรักในพระคันธารารักเอนจะยึดจองพักกะคอยจินตุโตจินตพระเจดจีสถานสองจีอย่างนี้เป้นเด็กชาโสดานดาการแล้วต่อถ่ายหันหน้าถึงพระโลกรับจิกิกตุพระโกรักจิิกต้มีอะไรรู้อะไรไม่ตื่นอพระเจดจีสถานเป็นพระโลกรักมองไม่เห็นขอบเขตอีั่งหนึ่งข้าัพทะเลถึงน่ำเสียวคลามขึ้นเป็นโลกนี้เสงไหลทุกสิ่ง เลอะปากอิสตกุลเพราะฉะนั้นเมื่อเธอลงเรือไปเที hmm. uh ่ยวนักถพุทธศาสนาเมื่อตีด้บยานใดหนึ่งใดก็แผ่พุทธศาสนาไปด้วยพระเจ้าไนสุตตะเองก็เลยรงทงธรรมทูตออกไปในการแผ่พุทธศาสนาให้ไปทงชาติต่างในกลยุฐานอันนี้แหละกลยุฐานกึงได้เป็นจุดประสานระวังวัฒนธรรมจีนกับอินเดียเมื่อพระเจ้าไนสิตตะซึ้นกระทงลงประทูตจีนนี้ละาชวงใหม่เกิดขึ้นเรือวารุณขัง ประทหันมีผสมกับศัตรูพระเจ้าทัานกเจอตั้งเตะแผ่นชุดผนเดียวตันตั้งว่าโจรหันขึ้นก็ะที่ตีตูต่อมาจากพเจ้าุนหันในรัะสมัยระเจ้าท่านไอเตะท่านดูเตะซึ่งเป็นเวลาที่อาจจะตะกี้จีนลังขายอันชาไปในตะลุกถานอยู่จีนก็สัมผัสกับพัฒนาคัมอินเดียโดยผ่านข้อขอค้าชาวเติร์กชาวตะลุกซึ่งเดินทางไปค้าขายเมืองจีนในอินเดีย พ่อข้าชาวตะรีนี่แหละครับได้นำสิษยศักดของจิตวิสัณฐามาเล่าให้ทาวจีนฟังว่าบรรดาชนชาติต่างๆในเอเชียกลางขัดออกไปจากเมืองจีนนั้นเพ่ยงแต่เป็นชาวพุทธเท้งนั้นแล้วก็นับถือรูปเคารพที่สร้างโดยของสุตพุทธรูปแลบถือมากแล้วก็ทาวจีนก็แบบเอารูปเคารพุธรูปนี่ไปเมืองีนเองแต่ไม่รู้จักวัตรูปี่ท่านสุดมีรัมาอย่างไรเป็นเพีงแต่นำไปในานะว่าเป็นสิ่ระดนาการให้กะับเรืทันว่ารูปนี้แหละ ท, ทนชาวต่างถิ่นต่างๆในทางตะวันตกที่จีนเขารูกันมากก็คือพระจุลดยอาตารย์งานล่าบอกว่าวันหนึ่งในสมัยต่อมาสมัยละชวงศ์ตันท่างพระเจ้าขันหมิ่นติ้ขันขมอยอยหมิติซึงเป็นตษัตยในราชงตันห่างทรงตืนมีนิดปัดเห็นพระจุลุดย์ของคำละลายเหนือพระราชบรเสียนแล้ประทืเป็นโคลนก็ใระโขนลงมายากรว่าจ้าเป็นนิดตีนิดร้อยโขอก็บอกว่าไม่ละจุลุดของ ศาสนาชาวตะวันตกเขให้ให้ทรงราชพูดไปตื่นแล้วพระองค์ก็ทรงพระเจ้าิูดยนออกไปตื่นพุทธศาสานาได้จะพูดยืนเดินทางมาที่ามมาอินเดียตอนเหนือมาเป็นแ้นคันภาระแล้วก็มาพบสัพเพระทาอินเดียเหนือสองรูปองค์หนึ่งชื่อว่าธรรมรักษ์อีกองค์หนึ่งชื่อว่าสัพเปะมาตางังค์ขัองรูปเหมือนกันต้นนึงท่านเข้ามาทุ่งอ ง, องรูปนี้ไปเดินทีเป็นพระสงฆ์ชแรกที่เดินทางเดินทีเหตการณนี้เกิดขึ้น ลาลาส้่นสัตววิกุของคุปตุทัศริมพานภาษา6 0ร้อยเศษในแพร่เข้ามาในในประเทศจีน้เมื่อแพร่กระจาในประเทศจินใหม่ๆนั้นทาวจีนปะชาาวจีนส่วนด่ยังไม่รู้ว่าเป็นศาสนาอะไรมีคำสั่งสอนอย่างไรเพราะอาราธนแตกต่างเรื่ภาษาจีนศกหรือภาษานยากและหาจะหาร่างที่จะรู้อรรถของภาษาจีนภาษาศึมีคนรุ่ดีพที่จะแปลถ่ายก็ทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในสมัยแรกน่ะ งานที่จะต้องทำก็คืองานจะต้องรวบรวมข้ อ, อตกลงที่สาคัญที่เห็นว่ามอไปทาจีนออกมาเพราะเวลาตัว ท, ทั้งสองนี้ได้คือการรวบรวมข้อตกลงจากคำพิธมบดเป็นส่วนใหญ่ได้สี่สิบเก้าบทด้วยกันขอโทษสี่สบองบทไม่ใช่ี่สิกาได้สีสบองทด้็กันลูนยยททกส่กวนใหญ่ีสบองบทก็ชักมาจากคำริธมบดเนออกมาเอามาแปลตามแปลท่านตัวเองก็มีภาษีนต้องใช้แปลล่างหลายภาษา ซึ่งท่านว่าจากภาษาพุทธิย์ว่าเป็นภาษาอินเดียได้ง่ายแล้วก็ให้ตอค่าชาวตระกีซึ่งค่าขาระหว่างคนจีนกอินเดียนั้นสั่งตอค่าตระกีฟังแล้วจะแปลาภาษาตระกีออกมาพภาษาตกีแล้วตอกินทีนที่ฟังภาษาตระกีออกตังฟังแก้วจะถึงภาษาจีนออกมาให้นักศึกษาทีนจเพราะฉะนั้นมันหลายภาษาเจะให้แปลอย่างถูกต้องกับต้นฉบับเดิมเห็นแต่ยาก แต่กระารตากัยนแต่ถึงอย่า ง, งนั้นก็ตูดออตาเข้นเป็นเรื่องปกติจนได้ดูคงม่แปลเสยเลยตูดแบบนี้ชื่อในภาษาจีนให้ชื่อว่าซื่อเออจังจงในภาษาจีนหนวงซืองาาอ่อเอ้อจางจิงถ้าจะว่าป็นภาษาแต่วก็หลุดว่า่อจืจียงิงเนี่ยแต่ว่าถ้าตูที่ว่าโดยพุทธคตสี่บสองบทเท่ากันสี่สีี่สิบส่สองบทเท่กันเป็นผสมผมคำคือพุทธศัพท์หนาหลุดแหละซึงได้ทินขึ้นในเมืองจีน อตอนนี้ก็อยากจะเล่าว่าไอ้หลวงพี่บอ ก, กิมพนังสือแล้วนะสมัยน่ะิมเป็นชาติแรกที่คิดกระดาษได้พิมพ์เนชาติกดกระดาษได้แล้ที่คิดกระดาษนั้นก็เป็นคนในสมัยราชวงศัน่นเพราะฉะนั้นเมื่อตามตอนนี้แหละไมะ่มีกระดาษไช้แล้วก็ใช้วิธีเสียนด้วยหมึกจีนจีนคลิกคึกหมึกจีนใช้ได้ตั้งสองพันปีมาแล้วเพราะฉะนั้นการใช้หมึกจีนเขียนในกระดาษจีนขอ ง, ง่ายกระดาษจีนสมัยแรกอะคล้ายๆกระดาษบางที่เราใช้เข้าเรืองเลยนครับเป็นกระดาษที่เราใช้จับหลืไม่ไผ มาทำกันเข่าแล้วก็กายเป็นกระดาษเป็นกระดาษฟางนี่ย่นมีกระดาษบเปนบันยี่ยึดสำคัญกมันแล้วันถลายกระดาษฟางนี่ยช้สคัญกปีนแล้วทำไมเขใช้ตัวมุกีนเขียนแล้วมีนก็แปลคน้ดเดินนะไปเรื่อเวลาไี่าเอามุกีนอ่ะีนอย่างตามลยึดเชือกัดเชือบางแห่งเอามุกีนมเขียนมันเลือเบอเืจะไม่ให้ตัดตัดสนแล้วดงเชือผ่าต้นก็แล้วลง็ปก็แล้วักก็แล้วไม่จางง่ยๆไม่จาง่ายเลยคนสามารเป็นเวงป็นตกา เป็นน้ำหมึกใส่ธรรมดาอย่างปัจจุบันน Inform ี้ไฟฟ้านี้ก็เรียลางหมดไปแล้วเนี่ยเราเราเห็นแบบว่าแปลกมากคนคิดเด็ดทีกมาด้เนี่ยสามารถคอเนไีย่นี้เนี่ก็ใช้เขียนสรแล้วการแต่ว่าการตีทิ้ง่นีนีก็ใช้ที่อกกันจับปาคนหนึ่งลอกไปอคนหนึ่งลอกอกแล้วก็แพร่หลายกัรที่ทอกแล้วก็ยึดเล่นกันได้ยึดจนเล่นสมุดออกมาแพ่หลายตอนนั้นน่ะก็จากีนที่ยอมรับทุกเจตนาขนที่จาหันหนีสีถึงเรื่องขุนที่หันหนีตีเนี่ยเป็นเอกพัฒน์า แต่พระพุทธนาตัยังแฝงหลายในหมู่คนท่านสือในมู่า ม, มันคนทีาตัวนไม่แฝหลายไม่รู้จักระทธศาสนาคืออะไรแล้วก็วัดจีแรกที่พระท่านหิงตีเดที่สร้างขึ้นอยู่นอกเมืงเองสราจากานี้จีนรลกเสียงทางจากเมงลกเสียงลูกเ็ในพระักางออกเสียงว่าเหอหยางเนี่ยอหยังพงระกีออกจสเป็นลกเอียงไปเนี่ยภาษากฤมาทักตับกินเหนออกเสียว่ามียงว่างันเนี่ี่พอภาษาองอ่ากของวัดนี้ อยูนีก็ยังเหล อ, อยู่หลังองเขามโลกั้งท่อนี่ยังเหลืออยู่แล้วก็ <Okay. S 1> ให้ชื่อวัดนี้ใน ส, สมัยนั้นชื่อว่าวัดไผ่หมาชื่อไผ่ไผ่หมาชื่อไผ่หมาชื่อนี่ก็แปล่าวัดม้าขาวถ้าจะเปลี่ยนตันบาลีผม <ảo. S 1> จะบกว่าเตตอัุวารามแต่จะมั้งนะวัดม้าขาวนี่นะให้มันขึ้นขึ้นหลอดว่างนอที่วัดนี้แหละครับที่มีซากโบราณสถานต่างๆซึ่งสร้างสร้างสร้างโบ <c oughs> แล้วก็ท่านธรรมรัตน์กับท่านตะเพียรศกมาตังค์ะเนี่ยก็จำพรรษาอีกทเดียวเวลานั้นงกรรวงเด็กเวนานั้นยมมีใครเดือกันต่อว่าัไหนให้แพ่หลายศาสนามาแพร่หลายในสมัยเข้ายุคสามศุุสมโุกีแหละคือวาราูนั่นก็อำนาจศูนย์กลาขงของพระเจ้นดินหมดเลยอำนาจนตัวมัก็คือขนพลต่างๆแล้วก็ธรรหมยอ่านสามศุกเข้าใจแล้วก็มาตระหนัเลยว่าว่ามงีนดับแบ่งกันทลายทั้งตายก็มีสิ่งวงแล้วก็ทังเฉถึงจะมีเล่าตี อังเหนือก็มีตัวโผลอา่าเป็นสามกข์เชกันในสมัยสามกนี่แหละพฤกรรมนาได้แค่หลายในรุสประชาชนสามัญระหว่าประชาชนก็ได้รับการทุกขเข็นจากการทำสงครามไม่เว้นแต่ละเดือนไม่พว้นแต่ละปีได้รับความทุกคนเหมุ่นหมองแลยทเทุกคนก็ต้องจกหลหาที่พึ่งทางใจมาดับร้อนและเวลานั้นน่ะที่วัดปรัชญายคาสอนของจีนไม่สามารถจะดับร้อนได้ก็เพราะเหตุว่าการทำครามกลางเมืองอย่างเป็นตริยุทธขนาดนั้นแสดง้เห็นว่าคำอของขงจื๊อใช้ไม่ได้แล้ว เพาสามารถที่จะดึงใจสุดทคนเอาชนะใจสุดนักปกครองทั้งหลายให้เข้มาดําเนินตามคันลาแห่งธรรมะของขงจื๊อได้ทุกคนต่างนนั้นให้ในคำสอนขงจื๊อหมดจึงได้ต้อนรับทุกศาสนากันหรือเปล่คือเห็นว่าต้องการจะหาคําสอนใหม่ที่จะสามารถดับความทุกข์ร้อนทางใจได้แล้วก็มาเห็นมาพกติดทุกศาสนาเพราะฉะนั้นประชาชนที่ับมาถือทุกกันเป็นการใหญ่ทีเดียวรัดมารามีการสร้างเป็นการใหญ่ทั้งในหุ่นเงินทั้งในชนบทต่างๆทั้งในเมืองหลวงมีการตั้งกันมาก ว่าพุธศาสนาก็ยังคงแพ่หลายไม่สูญตอนเหมือเขาไนแยสติเอยียงขนไปาจินต้พุธศาสนายัธธายางไม่ลงมาถึงซึงจะมาลงมาในสมัยถึงตัวนี่แหละที่ปกครองมือกันต่างเนี่ยถึงวรพระคลาจารย์ที่นำพุธศาสนามาจีงต้นั่นคือพระขังเจงหวยขังเจงหวยขังเจงหวยองคนี้น่ะไม่ใช่เป็นพระจีนนะเวลาเปพระกีน น, นี่แต่ว่าเป็นชอวตะริีเป็นพราชาวตะีที่รู้าจีนดีเดินทาง ธรรมจาริกจกกับตะกีมาเมืองจีนในทางคะเลมาขึ้นที่สังเสียแล้วเดินบทจา ก, ากสังเสียทึ่อ้อมอาเอาสยามแล้วมาขึ้นดูเรือสังอินโดจีนมาขึ้นในตังเสียเดินทางจากตังเสียขึ้นไปทางตอนลและไปพบสี่ดวที่เมืองสังสังแล้วนั่งสีวงนี้ไม่นักถืกถ้ไม่เลื่อนสายทำท่าจะขับไล่แล้วก็บท่าถ้าครั้งจึงหรือบอกว่าถ้าพุทธศาส น, น า, าดีจริงให้แสดงกับงเมีฐานนเดชคร้าจริงหรือโดยนพระบรมธาตุมองค์หนึ่ง บ, บอกวาจเาพระบรมธาตุเนี่ยมาสร้างพระสุริยปาที่มนต่างๆซึ่งดวงไม่อนุญาตบอกว่าให้ท่านคันจิหอเนี่ยอาราธนาให้พระบรมธาตุแสดาฏิหารในเดืที่าพระบรมธาตุมีปาฏิหาริย์เชื่อได้จะรับรับรับถือสืบสานาทาั น, น, ทานจิงหอก็ทำพิธีอันเชิญพระภาตุแสดงอาิหารและปรากฏพระรมธาตุนั้นได้แสดงปาฏิหาริย์ปแสพลังสีพุ่ขึ้นมาจากข้าชนะที่รองตหน้าพระพัก พ, พ, พระเจ้าขุนพล แต้าสิง์คงเห็นข้าก็มีความติดอึดอัดใสประกาศตนเป็นพุทธมารดาและจะโสดให้สร้างสังคารามแห่งแรกในเมืองตังๆังวัดนี้ชู่อ้พระจิตไม่เที่ยนชื่อเสี่ยนชื่อเสี้ยนแต่ผู้ออกษรว่าเสี่ยนชาออ่าถ้าจะแปลถ้าจะแปลเป็นอย่างคำมาลีก็ต้องเรียกว่าธปรมะสถาปนารามแปลว่าวัดที่เป็นสถาปนารามขั้งแรกเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในจีนาเนเ็วัดะวแรกที่สรางในจีนปาที่เมืองตังสัง อาต sí ังแต่นั้นมาผู้ประกอบการก็แพร่หลายทั้งในจีนเหนือจีนใต้มีประชาชนรับถือแต่ว่าสังคมุนยังไม่ปฏิบประฐานขึ้นมาจนกระทั่งหมดยุบปามก็แล้หมดทุกสามก็แล้วชื่อสายตุมาอีกถูกเป็นูเองตูโ่เดตัวชีวิตของตู๋ศีตายเลยพระาตู๋ศีกถูกคนเขา่ตายนะถูกแจ้งตุมาเนี่ยฆ่าตายตูมานูว <uhhh entrepreneur> ่าตามทุก <science>. ทุกแล้วทุกสุดานทีนเมืองไทยเราออกวตมาก็เอกซื้เป็นต้นทีบอกจีนเหนือแค่ก็เอกซื้อหมา ขึมาก็เอาเท้าซูมาวางงเอาเทีามาพรอาจจะมีากเียก็ได้ซูมาเนี่ยเอาเอาเท้าในคำว่าซูมาเนี่ยเชื่อสายซูมาอีกหลยเด็กเือเชื่เจ้าเอลแล้วก็ตังว่าชวงยิขึ้นศิลปนี้ก็คือทุกเกี่ยวก็ตั้งินงขึ้ก็ออกเท้าเรข้วขีอ่ะยังตัวถองเอาเท่าเราขัวเท่าขวเนี่ยขัはは้วมา อในสมราชวงศ์ที่มีจินงกลางศึกมีรพระเถระชาวอินเดียเดินทางจากอินเดียมทาท่านที่นี้คือท่านพระธรรมการละธรรมการพระธรรมการเดินทางพร้อมกับคณะสงฆ์ชาวอินเดียมาเป็นคณะกกถูุพัฒน์มาเ ม, มืนงคนขึ้นที่นครลพบข์ให้อุปสมบทธรรมชาแต่ชาวจี น, นโดยฤาษีและเ็นสมเด็ถูกตั้งตามมือนายกรรมทุกอย่างในการครั้งนี้เกิดขึ้นราวสัตตะวัที่เจหลังสุทัศน์ปฏิบูธานแล้วก็ัำ ง, ง่ายๆว่า พระคือควรจะมีกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในศตรรษที่เจ็ดในสมายราชวงจิ๋มแล้วก็ผู้ที่ป็นพายาอุลแรกคือธรรมการะนำพระชาวอินเดียคณะหนึ่งมามาเป็นคณะหลักสำหรับยัติคุรุบุตภาทวีใ้เป็นพระคือเนี่ยเป็นครั้งแรกตอนนี้มีปัญหาว่านในตอนนี้หละครับในการแปลคำพีก็ยัอยองแปลกันอย่างต้องการล่าหลายปากจะห า, าการถูกต้องตาม อันชาพยัญชนะก็เป็นยากอาจจะมีอะไรบขกค้องบ้างไม่บกคล้องพยัญชนะก็อาจจะบกค้องทางอันภาคบ้างเป็นไปเรื่อยๆมาจนกระทั่งต่อมามีเจ er ้าชายองค์หนึ่งเป็นเจ้าชายาอิบา์ที่ว่าอันติกาแต่ว่าลุงสายพุทธศาสนาได้ออกเดเป็นคณาจารย์มีชื่อเรียนจบปะถมศกษาป่า8แล้วตัวชาอันติกาวองค์นี้ครับที่เดินทางมาเมืองจีนท่านผ้นี้ผู้ภาษาต่างประเทศได้สามสิสี่ภาษาภาษาท้องิ่นต่างๆท่านพูดได้หมดเลภาษาจีนด้วย เก่งมากเป็นอัจฉริยะตัวนี้ไม่ต้องใช้ลามแปลแต่แปลเวทหมายเวทคำต่อคำในตัวนเองเพราะท่านแปลช้าในภาษามากมายแหลือเกินตัวนี้เด็แปลคำพีต่างๆในพุทธาสาเป็นภาษาจีนกว่าสี่สิประการ้กันเด่แปลออกมาก็บทำให้การศึกษาพระริยัติธรรมในสมคมคนจีนดีขึ้นแต่ถึงนั้นตัวยังไม่สมูรยังมีคาพีส่วนใหญ่ที่ยังไม่เด็แปลอาจากว่าทงจต่อมามือจีก็แบ่งเป็นจีนเหนือจีนใต้อีก่แบนจีนเหนือนใต้กับพราะว่ามีพวกต๊ะซึ่งในส่วน่า ตะพยุตยุคลานข้ากัมแทงยักษ์มึงจีนเข้ามายุคลาเมองจีนแล้วพวกโต๊ะพวกนี้เอ่อมามึงจีนก็เล่แต่เป็นค like so me. so, yes. ู่เมื่อถือพุทธมาก่อนนั่นพวกนี้ได้ตั้งราชูยื่ขึ้นจุดคองจินจีนเข้ายุคจีนยุคอะไรยุคหนุนศักยุคหาุนศักยุคจะพุทธจีนแบ่งเป็นประเทศนู้นประเทศตัาประเทศใต้มีราชตั้งจีนซึ่งเป็นเชื่อสายจากราชงไปจ้นแตจุดคองทางเหนือนั่นเหนือขึ้นไปก็มีพวกโต๊ะซึ่งตั้งราชูงปแบบจีนจุดคอง มีว่าควณยุ้ยครองอยู่ตอนนี้นะครับที่ว่าศาิลปะทางพุทธศาสนาเลยเจริญมากคือพวกยี้เนี่ยสโต๊ะ เ, เนี่ยเป็นชาวพุิคึ่งครับแล้วก็พปา็ยามส่งคนไปถ่ายพุทธศิลปะจากอินเดียมาสาร้ า, างเป็นว่าถายแบบศิลปะข้ามอันตาข้ามเอลโลระข้ามฮาระฮุน<อ>ในอินเดียมาเจาะภูเขาในเมจีนสนร้างค้ามพุทธาสนาขึ้นมาข้ามที่ว่านี้ปากฏอยู่ในมลนการ ส, ง, ส, ง, สงของีง มันตุนสวนัวมันเป็นการสูงเวลานี้เป็นเทลทรายแล้วก็เป็นื่อภูขอเขายาวเยืดกระยะทางประมาณจักยี่สิกอกิโลเมตรภูขเขาขื่ออันยาวยี่สกกิโลเมตรนี้เป็นถ้ำหมดคือจากสีมือมนุษย์ผู้สัาวในพาสนาเจาะขึัดและแต่ละถ้ำนั้นได้มีพอดอิตกรรมในพาสนาเียน เ, เรื่องทุประวัติบาเขียนเรื่องเื่อสนดอนาดดึกบ้างเีนเรื่อชาดต่างๆบ้างียนเรื่องอสีอย่างสวยนามนะาั้นสรากสดอยู่ รวมหมดเด็กเด็สําสำรวจแล้วมีประมาณ5าพันกว่าถำด้วยกันถ้ำเล็กท้ำใหญ่เนี่ยถ้า ม, มองแต่ไกลแล้วถ้าเขาเรวมขึ้นก็คือมาแม้มองใหญ่โตสุดลา่าตาเถียวไปทีเดียวเป็นคนที่นมมาทีเดียวมองแต่ไกลนะแต่ถ้า ม, มองไกลแล้วถึงจะรู้เป็นถ้ำท้ำก็ใหญ่เป็นก้อเป็นกว้างเป็นห้องโถงเป็นท่นอรย์ไปเดียบางถา้ตกวเล็กขนาดคนคางก็ไดแต่ถึงจะนั้งภายในก็จะอุดมไปดพกตจกรรมในถิ่นลัแล้วมองจากพิตกรรมแล้วยังมีภาพลูนตั้นอีกภาพปัจ พปั้ินปั้งพภาพดินปั้งนีิก็เป็นปั้นเป็นทุจรูปพระโูบริจาคมากมายไายกองมีสัหัเป็นหมื่นองปั้งองเล็กองน้อยอ่านู่นแต่เป็นข้าวิรหกงามหมดเหล่านี้ท่านสิ่นี้ก็เกิดจัดแรงศรัทธาของชาวพุทธมารมณต์ในทิมเหนือในอุทิศต่างว้แต่ว่าท่านใครเป็นเจ้าของปังต้องเขียนจารึกวเดือนตืจารึกคอธิษฐานของสิ่งที่บริจาคทั้บให้จิตตตอนว่า คิดถึงที่ได้สร้างขั้นทนี้กับทำนั้นรูปปิดามาที่ดงรับไปแล้วนั้นนั้นคำารึกล่านี้เลกลายเป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์สาหรับนักโบราณคดีไสอบสวนว่าคาจารึกล่านี้ลกลายเป็นหลักฐานในทางประวัติศาสตร์สาหรับนักโบราณคดีไปสอบสวนว่าคามเป็นของประวัติกิจกรรมและประวัติอิทธิปกรรมต่างๆในถหล่านี้ขึ้นมาและถ้ำเานี้ขจาร์ศิลป์มีการสร้างเคเตือน้มาตั้งแต่สมัยรัชทูเลียก็ศกวรต่อตอ้าร้อยเศ ส้างเรื่อยจนมาถึงสมัยพศพันแดร้อยล่าูเหมือนไม่ได้ขาดตอนเลยสร้างเรื่ยมาแต่ถัาเพิ่มพศพันแปดร้อยแล้วอัศจรรย์ภูเขาอัศจรรย์อันประกอบเพื่อทำมริมานี้ได้อันตรธานไปจากความทรงจำของชาวจีนตายปมดหมดตายในทเลตายตัวดีขอมาหมดเลยไม่มีใครรที่นีมีถ้ำอันประกอบเพดินไหัเอ็ดอกอนี้ไม่มีใครรู้ตายปดหมดไม่ารู้เลยกดอยู่ที่ห้ารอยกว่าต มีใครตะนเข้าไป่นีมีท่าอานัจจาอยู่ที่กนนิหน้าก็คือจะสาเหตุเล่ามันเป็นหัวเป็นมืหน้าตึกมาผสมหลักชนิดหนึแล้วมลี่ถูกฆ่าสกุลร้านบ่อยๆตัวมือก็ที่เมืองไปโมกี่ลงที่เมืองไปก็การเป็นมือร้าเขาย้าโดยตั้งเขาหยิบยาไปนี้ไปที่นีกลายเนมือ้างไปนากปีทีหนึ่งนานจะมีคนผ่านมาโมลี่ใครผ่านมาลงรถพัดเ้าจากวานในทะเลทรายตัวดีมาอุตวัยนักข้ามมันมีครรู้เป็นทําม มาลุกขึ้นเล่ลา ส, สักหกสิบประตูเลยนี่เองที่รู้นะเกิดจากเต้าหญิงคนหนึ่งเต้าหิงคือนักโทในตำนานสาวคนหนึ่งแกไปหาที่วิเวจะไปทําสมาธิแล้วก็มาในทะเลตายแห่งนี้ไปเจอขึ้นเขานี้เข้าไปปัดกวามตายที่ํถ้ำหนึ่งอาศัยเทินใต้ถ้ำอ น, นั้นอยู่วันหนึ่งจะจุดายจุดายแล้วก็ไปตกมาลามลามไหมของไหมๆๆๆๆไหมไหมไหมไหมถูกตายก็ดับ แกก็คุยอรอยไหมนี่ออกมาคุยสายออกเอ๊คุยคยไปทาไมมีอากาศนะแสดว่าข้างในต้องว่างเลยนะมีลมพัาออกมาเนยทำไงทาไมว่าไม่คิดแกก็อาัศจาัรย์ใจตอนนี้คุยใหญ่เอคุยอยู่สิบกวันเป็นคนใหญ่คุณว่าไ่ไดยสบายแต่ก็ปัดแต่เลาะสบ า, า, สบาเอาตะเกียงเข้ามาดูด้วยพอระเกียงส่องแสงตะทุกสุานังแม่จา้าโว้ยมีอะไรพลาดพฤตกรรมลดเวลาลดเงินลดภาพต้องกู้ทุนสั่นสะเทือนที่ส่นเลาไดารอยตาตัวเนจะมี ให่ขนาดท่าคนจะมีและก็วคูจะมีตั้งเป็นถ้ำชั้นหมดหนึ่งแล้วถ้ำหนึ่งแล้วถำหนึ่งแล้วงลู้ก็เป็นชันท่านเดินตะิุยานใหญ่ต้นนี้ตอนนี้แ่ก็บอกมูลผู้ชาวบ้านแถวนั้นให้มาขนายออกจากถ้ำเป็นการใหญ่เียอคะขนไปละถ้ำละถ้ำขนออกมาตั้งหลายติดถำล้ว่ะติก็ดังไปถึงักโบราณคดีชาวอังกฤคนหนึ่งคือนิสเตอร์เนึงเนนักโบราณคดีในจีเหนือกาลังขุดค้นวัดุดโบราณในท่ายตูดูอย ที่ตัวนมืงฟัง ข, ข่าวเข้ากพมามาสำรวจขพราอ่านเขา้าแหมโบราณวัตถุพันกับตีนกระติ้งกระติ้ง น, นู้แต่เป็นขันค้คลาสริกกันั่นแหละเองทำตัญญาขอซื้อเป็นความลับกับอิปตาติยินคนนี้บอกว่าอยากขายให้ใครอยากจะโสดกระาให้เจ้าหน้าที่บ่านเมืองรู้นะฉันขอซื้อหมดจะเข้าพิ่ ท, ที่ส์าสานที่เินขอซื้อหมดขอซื้อราคาดถูกนะมือเลี่ไร้หนุอนั่นเองประากาศข น, นังออกมาทั้งแผ่นทั้งแผนเาเป็นข่าวิปากรเนี่ยประกายกไปทั้งแ่นเลย แล้วก็พระพุทธโลกพระโอรสพระโอรสกจัดอปกรณ์านยกเปตั้งยกไปพิพิธาัณฑ์ระมาณสองรอังค์พระุทกนะยกไปองค์ละองค์ใ่หนงยกไปงร้อยงร้ตรวองค์แท็ดเข้าอีกแใหญ่บางทุกหลังอตั้งร2ีตัวคุณบัตรอเมริกะและยังมเียนท่นั้นยังไม่เจอถ้มาจะเจนถ้ำนมืนเขาปนุตัวได้ในพ้นถ้ใหญ่เป็นประตูหนึ่ะนัไ้รปะนไม่ออกแม่เจ้าเลยข้างในเป็นํระธมทีพรไตปทเป็นเรื่องเเเนเรื่องสนุกีนะเปเรื่อง แล้วก็แพรแพร์คนที่มีชื่อที่โพต่อให้ลานมิฟ้าอากาศ เ, เคคนี่ยึกคำเคยคำตัววีคงจินตะกุยนักปราบในพุทธศาสนาเขียนอะไรราย่ระหับกระสั บ, บดินยุคต่างๆเขียนอะไรแล้วก็าลายใจยมือเขียนว่าตระกูลอกเป็นตกๆทั้งชุดนะอาจจะกถาดีการพรอมหมดของคสมัยโบราณพันจะสมาได้วางองเป็นพนมพืนทึกจุดเทนดนอาไว้ข้งหลันิกโตะซึเห็นเขาเนี่ย ตาลุกวาวดีใจรู้เถิดจา่แกนคำถั่ ง, งเพิ่มเงินให้ติสตาตาหญิมขนเป็นการใหญ่ขอนอยู่มืเป็นตนัวคำสั่งนี่นนส่งไปที่ดอนดนตอนนี้วามรับนมนนิดแล้วรัฐบาลรู้เถอะนะครับรัฐบาลคิวก็ส่งจ้ น, น้าที่ไปอายัดอายัดกระตุกอายัดในทันพระสองร้อว่าองส่งไปแล้วทุาทแล้วก็เขาทำคำที่ส่งกปต่างๆหกสิบกลังแล้วเขาทำคำท่ลายมือช้นองมุราหกสิบกลัง ทนันังศึกกระจัดยกไปทั้งแผ่นๆยกออไปาสศิลปรมเนี่ยไม่รู้ที่ทำา็ที่ทำทั้งศิลปะชั้หัวกะท่หายหมดไอ้เหลือเลกเหลือแค่นี้สิวะท่ า, ทา ง, งมาคือจะจ้างให้หมดเงินวันนี้ไหวแล้ว 5, ่าพันกว่าชั้นมั้ก็ต้องมี อ, อะไรให้บ้งหรือว่าจะเสื่อมใแล้วไอ้า ท, าท่านเพชรมะหมนเนี่ยคุ้ไปหมดแล้ ว, ลลาาวเลยจะมีนักตลาดตะพังตะวันตกทังฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันต้องตั้งสมาคมฮิตเตเพื่อ้ศึกษาศิลปะจากข้ามสนหัว ที่ว่าพระมาคามศึกษาโบราณคดีแห่งสุนหงคือพระมคมระหวังชาตินะเพราะของโราณวัตถุมัมากรู้สึกเพียงแต่พมาคามนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาโบราณวัตถุหลงเท่านั้นแหละเวลาไม่ก็ยังตังยนยน้งียูศึคคกษากันอยู่คนคว้ากันอยู่ตอนเป็นมาต่างๆวันนี้ก็เหนเจะพอที่จะเวลาได้เวลาก็ประมาณชั่วโมงคดีเขาเล่าไปจบนะครับเพราะมันย้ายแค่เรื่องต่างแห่ ง, างสงงานหงเขาจะต้องเห็นั้นนี้ก่อน เก่ยวกับพุทธศาสนานสมัยราชวงศ์ถังไดกล่าวถึงศิลปินเช่นว่าท่านการโสรมี่วายุนการที่มีชื่อเสียงได้อธิบายไปแล้วเมื่อวันภาคที่แล้วในวันนี้จะได้ดําเนินอนุสสนเล่าความเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเมืองจีนต่อไปคือว่าหมดยุคสมัยน้าปักคือสมัยที่จีนแบ่งเป็นจีนเหนือจีนใต้ทางจีนเหนือก็มีพวกปา่าพวกเติรพวกมันจูมาตั้ง เป็นจกักรวรรดิปกครองชาวจีนอยู่พวกต่างประเทศเหล่านี้เมื่อเข้ามาเมืองจีนแล้วพวกนี้ก็ล้วนเป็นพุทธมามะกะเพราะฉะนั้นจึงได้ให้การอุปถัมภ์สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนามากมายปรากฏตามสถิติว่ายุคนำปักนั้นเฉพาะในภาคเหนือคือเหนือแม่น้ำแยงติเจียงขึ้นไปมีพระสงฆ์สมณีนางพิสุกนีรวมหมดประมาณล้านลูกถึงล้านลูกไม่ใช่น้อยเลย แล้วก็มีวัดวาอารามในพุทธศาสนาประมาณ 30, สามหมเ่นเศษเฉพาะในจีนเหนือนี่ก็แปลว่าเมื่อพุทธศาสนาแค่ห้ายคำมาเมืองจีนเพียงห้าสัตวัดก็ทำให้ฝังรากมั่นคงในประเทศจีนกลายเป็นศาสนาที่ชนะน้ำใจชนชาติจีนหมดทั้งชาติข้อนี้เพราะอะไรทั้งๆ ท, ที่จีนเองก็มีความยืดหยิ่งทรมงในวัฒนธรรมประเพณีและิปรัชญาของตนว่าเป็นผู้นาของโลก เฉยฉนายสิ่งได้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจําชาติและเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่คนทุกชั้นมีความร่วมใสข้อ น, นี้เห็นจะตอบเป็นง่ายก็คือว่าปรัชญาของจื๊กับปรัชญาเหล่าจือ๊อซึ่งเป็นหลักใจของชนชาวจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้ามานั้นดังได้กล่าวมาแล้วว่าปรัชญาทั้งสองสาขานั้นฝ่ายของจื๊สอนแต่คติธรรมที่เป็นไป ในพิศธรรมมิกัถะประโยชน์ส่วนเหล่าจื้อนั้นสอนหนักกวในทางสัมปรายิกัถะประโยชน์เมื่อเป็นเช่นนี้ขั้นพุทธศาสนาแผ่เข้าไปถึงพุทธศาสนาได้สอนครบประโยชน์สามคือสอนทั้งพิศ ธ, ธรรมิกถะประโยชน์สัมปราคิกถะประโยชน์แล้วก็โลกุตระประโยชน์ด้วยแปลว่าคําสอนในพุทธศาสนานั้นมีเหนือกว่าขงจื๊อกะเหล่าจือแต่คําสอนของ ข, อ ง, ของจือกะเหล่าจื๊อนั้น สิ่งใดที่ดีเลิศสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าได้สอนไปแล้วหมดแต่สิ่งใดที่ขงจืดเล่าจือสองไม่ถึงสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าคันสอนถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนามาเหนือกว่าคงจืดเล่าจื้อและหุ้มเอาคติธรรมของคงจืดเล่าจื้อไว้หมดคุ้มไม่หมดทีเดียวอ่าเกิดจะพูดใน ง, ง่ายๆว่าคติพัทธิคงจื้อนั้นไม่อื่นไปจากสูตสูดอยู่ในพุทธศาสนาเพียงเพราะสูดเดียวก็คุ้มฤทธิ์คงจื้อหมดแล้วจะป่วยกล่าวไปใหญกับ พระสูตรในพุทธศาสนามีมากมายเป็นจำนวนพันจำนวนหมื่นสูตรเพียงสูต ร, ตรเดียวคุมติของจิ้วไม่หมดสูตรนั่นคือสิงคาโรวาสูตรในทีคณิกายสิงคโรวาสูตรเพียงสูตรเดียวก็คุมติของจิ้วหมดแล้วมวูเป็นเช่นนี้จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกชนชั้นปกครองก็ดีพวกปัญญาชนในเมืองจีนก็ดีจะไม่ตื่นเต้นและรุ่มสายเมื่อพระธรรมของพระพุทธองค์แผ่เข้าไปถึงเพราะว่าพวกเขาหนาะได้ฟังได้ยินได้เห็น ในสิ่งซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดไม่เคยรู้มาก่อนแล้วจึง ป, ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธกันมากแล้วเมื่อชนพวกนี้มาเป็นชาวพุทธแล้วก็เลยเป็นตัวอย่างนําสามั ญ, ญชนให้เข้ามาเลื่อมสายด้วยเพาเหตุนี้ตั้งแต่พุทธศาสนาประดิษฐานในเมืองจีนแล้วห้าร้อยปีก็กลายเป็นยุคทองของพุทธศาสนาขึ้นยุคทองที่ว่านี้ก็คือยุคนําปักอันเป็นยุคทองแห่งศิละปะในทางพุทธศาสนา แล้วก็ต่อมาก็ยุคถังยุคซุยยุคถังยุคราชวงศ์ซุยราชวงศ์ถังยุคนี้เป็นยุคทองแห่งความคิดของนักคิดชาวพุทธในเมืองจีนทําให้มีคณาจารย์จีนได้ตั้งนิกายของพุทธศาสนาขึ้นใหม่ๆหลายนิกายขึ้นมาพุทธศาสนาที่แพร่เข้าไปในเมืองจีนนั้นในชั้นโดมเป็นพุทธศาสนาแบบสาวกยานหรือที่เดียกกันว่าจินญาณแต่ความจริงคําเนี้ ในที่ประชุมองค์งการพุทธศาสนาสันนิกรสัมพันธ์แห่งโลกคือเดวอนเป็นรถชิปพุทธิสันนิษฐนประชุมกันครั้งแรกที่คูนโตลัมโบในเกาะลังกาได้ผ่านมาติว่าเราจะไม่ใช่ค่อยคำนี่เรียกพุทธศาสนาฝ่ายใต้ว่าหินยานอีกต่อไปแต่ให้ใช้คำว่าเทรวาทะครางนี้คําว่าเทรวาทะเนี่เป็นเพียงนิกลายหนึ่งนิกลายหนึ่งของหินญาณ อ, อันที่จริงคำว่าหินญาณ น, นี่ก็เป็นคําที่พวกเราไม่ได้เรียกตัวเราเองหรอกครับ แต่ว่าเป็นคําที่ชาวพุทธสายมาหายานเขาเรียกเราก็ไม่ยอมรับคําเรียกคํานี้อ่ามีอีกคำหนึ่งที่น่าจะเรียกได้คํานี้คือคำว่าสาวกไยานยานของพระสาวกอันนี้ยานของพระสาวกเนะี่ยเห็นทีว่าไม่เป็นข้อที่เป็นเหตุนํามาซึ่งความรังเกียจ ต, ตรงกันข้ามกับคำว่าดีนะซึ่งหมายถึงเร็วๆครับแค่ต่าๆ แต่ว่าสาวกยานนั่นหมนยายถึงญาณของสาวกคือผู้ที่มุ่งสาวกภูมิเราก็เรียกว่าผู้นั้ น, น่เป็นฝ่ายสาวกยานส่วนผู้ใดมุ่งพุทธภูมิเราก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นมหายานอันนี้อย่างนี้ก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นคําว่าเทราวาสเนี่ยเรียกเฉพาะพุทธศาสนาในนิกายที่นับถือกันในลังกาแล้ะนับถือกันในกลุ่มประเทศในอินโดจีนเท่านั้นเองอันที่จริงถ้าหากว่าเรียกคำว่าสาวกยานแล้วคุมไปกว้างมากมีทุกนิกายจิต ตรงกันข้ามกับฝ่ายมหายานแล้วเป็นสาวกยานหมดมีหลายศิษยนิกายด้วยกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่แพร่เข้าไปในเมืองจีนยุคแรกก็เป็นพุทธศาสนาแบบสาวกยานที่รู้ว่าเป็นสาวกยานก็ดูจากผลงานของพระคัมภีร์ต่างๆของบรรดาธรรมทูตที่ไปจากอินเดียไปแพร่ไว้ในเมืองจีนส่วนใหญ่เป็นพระสูตรพระวินยัยในนิกายของฝ่ายสาวกยาน นิกายเหล่านี้อาพิเค็นนิกาตรตะวานติวะนิกายมาหิมหาสังกิกานิกายธรรมคุปแล้วก็ น, นิกายเมหิสาสกะกนิกายเหล่านี้มีมมสถาบันปัจจุบันนี้แล้วสูญไปหมดพร้อมกับการสูญของพุทศาสนาในอินเดียก็สูญไปหมดต่อมาในยุคบั้มปักพุทธศาสนาแบบมหายานถึงเด็กแ้ามาเป็นกิจจลักษณะโดยตรง นักธรรมทูตที่นำคติทำฝ่ายมหายานมาแพร่หลายเป็นทางการท่านผู้นั่นคือท่านกุมารชีรรชวะซึ่งเป็นชาวตรกีสถานเป็นคณาจารย์ชาวตรกีสถานได้เดินทางมาในจีนเหนือท่านผู้นี้ได้นำเอาในกายสูญวะของพระนาครชุนอันเป็นทิสาปาโมโหกใหของฝ่ายมหายานมาประดิษฐานในเมืองจีนดูได้แปลผลงานของคณะนาครชุนเอาไวา้เป็นหนังสือสามเล่มใหญ่ เรียกว่าคมภีมัธยาม ก, กะกาลิกาเล่มหนึ่งแล้วก็คมภีทวารทศทวารตาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็คมภีมหาปารัชยามรมิตาอัตกถาอีกเล่มหนึ่งและแปลผลงานของสารุสิชนาประชุนอีกเล่มหนึ่งคือท่านเทว์ออกมาคือคมภีะะาศาสตร์ศาสตร์กาลิกา คำพิเหล่านี้ร้วนแต่ประกาศคติธรมรมเกี่ยวกับปรัชญาฝ่ายาาสุญญาว่าในมหายานท่านท่านจึงเป็นสังกปามู่ ร, รูปแปรที่ตั้งนิกายสูญญาวาาในประเทศจีนเรียกกันในชื่อภาาจีนว่านิกายอ่าตันรุ่นจุงคือแปลว่านิกายตรีศาสตร์อาศัยคำพิสามรประตอนเป็นหลักเพราะเพราะก็ท่านในานานิกายสูญญาว่ามหายานมาเผยแผ่นั้น ท่านกุมรารชีพได้แปลคำภีร์อีกเล่มหนึ่งเรียกว่าคัมภีร์สัตยาสิทธิธาศาสตร์สัตยาสิทธิธาศาสตร์นั่ น, นผู้วจนาชื่อว่าพระหริบรมันเป็นชาวอินเดียได้ัแต่งหนังสือเล่มนี้เพื่อจะประมวลข้อคิดทางนิกายต่างๆในอินเดียข้างนั้นให้เขา้ารูปเข้ารอไปอันเดียวกันแต่ว่าจะทําได้สาเร็จหรือไม่นะ่ะอีกประเด็นหนึ่งจากผลงนานที่แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาจีนก็ทําให้สาธารณิต ข, ของท่านกุมรารชีพในเมืองจีนนั้น ตั้งนิกายใหม่นิกายหนึ่งขึ้นเพื่อจะประกาศคติธรรมในคำพีนี้โดยเฉพาะให้ชื่อว่านิกายสัตญาิทินี่ว่านิกายสัตย า, า, ายสิทิประกาศคติธรรมในคำพีประกรณ์นี้เป็นหลักใหญ่หลังจากท่านกุมรารชีพแล้วไม่นานก็มีที่ถุกชาวอุเชลีเอาอินเดียอีกรูปหนึ่งชื่อว่าพระปรามาสเดินทางมาเมืองจีนท่านผู้นี้ได้ แปลประการวิเศษทางอภิธรรมอีกเล่อหนึ่งชื่อว่าอภิธรรมะูสะวยาคยาผู้เป็นอาจารย์ที่แต่งโดมเป็นคณาจารย์ใหญ่ของมหายานชื่อว่าวาุพันธุมีชีวิตในศตวรรษที่๙หลังพุทธปฏิพานอภิธรรมะูสะวยาคยะเล่ม น, นี้นักปราชญ์ในอินเดียถือว่าเป็นหนังสือสําคัญที่สุดผู้ใด้็ไม่ได้ผ่านหนังสือเล่ม น, นี้แล้วผู้นั้นไม่ชื่อว่าเป็นผู้รู้ กล่าวกันว่าแม้แต่นกแก้วก็ยังสุนทนาข้อความในคัมภีอภิธรรมโกศะที่ว่านกแก้วสนธนาข้อความในคมภีอภิธรรมโกศะน่นนกแก้มันฟังภาษาคนได้ตอนนี้เมื่อบ้านใครเรี่ยงวัดใครมีพระสงฆ์องค์เจ้าดูนักเระอหัดท่องบนข้อความเนี่ยคมภีอภิธรรมโกสะนกแก้มันก็ฟังฟังแล้วมันก็ชินมันก็ร้องออกมาตามเสียงข้อความในคมภีอภิธรรมนั้นจึงเป็นไปได้ว่าแม้แต่นกแก้วก็ยัง คุยกันจ้าด้วยข้อความในอภิธรรมโกสะไม่เชื่อเราทดลองเลี้ยงนกแก้วมาคุณทองไว้แล้วเราลองสวดมนุ์ให้มันฟังพวกชาวพวกเย็นที่ไม่ช่างก็สวดอย่างเราได้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องหรือวิบหรือวิสยัยแต่เป็นการแสดง้เห็นว่านั่งซื้ออภิธรมรมคูสะเนี่ยสําคัญขนาดไหนที่ว่าชาวพุทธในอินเดียแม้กระทั่งชาวต่างศาสนาในอินเดียจะไปศึกษากันอภิธรรมโกสะ ทุกวันนี้หนังสือเล่ม น, นี้เป็นหลักสูตรสําคัญในมหาวิทยาลัยนาลันทาที่รัฐบาลอินเดียฟื้นฟูขึ้นใหม่แล้วก็ปรากฏว่าท่านพิสุรปรมาได้แปลสะกรณ์นี้ออกเป็นภาษาจีนแล้วก็อธิบายข้อความคำทีนี้ให้แกบรนดาบาลุสิตของทัานฟังบาลุสิตของท่านซึ่ ง, งเป็นพระจีนจึงได้ตั้งนิกายใหม่เพื่อจะเผยแผ่นนิกาอภิธรรมโกสฏโดยเฉพาะให้ชื่อว่านิกายอภิธรรมโกฏตามชื่อประกรณ์ที่ได้รับถ่ายทอดมา นี่ก็แปลว่านิกายพิธ ร, รมโกดในกายสติยากิติินั้รร น, นทางมหายานยังถือว่าเป็นนิกายของฝ่ายสาวกยานเพราะว่าปรกรณ์ทั้งสองเล่ม น, นั้นแต่งโดยคณาจารย์ที่ยังมีข้อคิดเห็นเป็นฝ่ายสาวกยานอยู่แต่เพราะว่านิกายคุณิวาทมันเป็นมหายานแท้ท่านพิสุประมาลูกเดียวกันนี้นอกจากได้แปลผลงานจากอภิธรรมโกศะแล้วท่านยังได้แปล ประกาบดีเศษที่สําคัญของมนอายันอีกนิกายหนึ่งเลี่ยงกันว่านิกายวิชยานวาทินเป็นนิกายที่สอนคติไอเดียดีเสริมในพุทธศาสนาเป็นฝ่ายมนุภาพนิยมนิกายวิชยาณวาทินอ่ประการสำคัญที่ท่นแปลคือว่าวิชยานมาตราสิทธิตรีพศาการิ ก, า เ, ก า, า, า, ร า, าเล่มหนึ่งวินสปิกกวิชยาณมาตราศาสเล่มหนึ่งแปลข้อความในประกอบดีเศษสองเล่มนี้ออกมา เลยเป็นเหตุให้มีสามลทธิของท่านตั้งในกายมหายาณอีกนิกายหนึ่งในเมืองจีนคือนิกายวิชยานว่าเรียกตามเสียงจีนว่าอุยซือจุงจ้งไปซือจุ้งเรียกตามเสียงจีนว่ายงนั้นก็เป็นนั้นว่าในยุคหลังพุทธพุทธป ร, รินิพพานแล้วหนึร้อยปีมีนิกายมหายานสองนิกายเกิดในเมืองจีนมีนิกายสาวกญานอีกสองนิกายเกิดในเมืองจีนรวมหมดเป็นสี่นิกายเผยแผ่คติธรรมอยู่ในประเทศจีนต่อมาในยุคถังยุคซุย ยุคซุยถังท่านสินเคยอา่านภูงโซดานจีนแปลแล้วก็คงจะต้อบจำยุคซุยถังนะ่ะคือมีเรื่องราวยังไงสนุกสนานที่ลึกตื้ตือแค่ไหนในสมัยยุคซุยถังนี่แหละครับที่คณาจารย์จีนแท้แท้ได้ตั้งมีการทั้งท่านขึ้นโดยไม่ต้องเอาแบบจากอินเดียราชวงศ์ซุยมีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่สิบถึงสิเอ็ดราชวงศ์ราชวงศ์ถังมีอายุตั้งแต่ศตรวรรษที่สิบสองถึงที่สิบห้าระยะนี้เป็นยุคทองแห่งความคิดทางพุทธศาสนาในเมืองจีน แต่มีนักปรัชญาที่เป็นชาวจีนแท่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเป็นจํานวนมากช่วยกันขบคิดข้อธรรมะต่างๆวิจัยธรรมะต่างๆแล้วก็ตั้งสำนักประกาศพุทธรรม ต, ตมตามแนวคตินิยมของแต่ละนิกายขึ้นมาเป็นอันมากในสมัยราชวงศ์ซุยราชวงศ์ซุยอายุเพียงหกสิบกว่าปีมีกระถางเพียงสองพระองค์เท่านั้นเองแต่ราชวงศ์ังนั้นมีอายุประมาณสามร้อยปีเศษสมัยราชวงศ์ซุยนี่ มีคณะาจารย์ใหญ่ชื่อเป็นชาติจีนแท้ชื่อว่าคณะาจารย์จื่อเจอ๋อจื่อเจ๋อตา้าซือจื่อเจอ๋อภาษาจีนหลวงภ า, าษาแต่เกี่ยวเขาเรียกว่าตี้เจียภาษาจีนหลวงก็ออกเสียงว่าซื่อเจ๋อต้าซื่มีสำนักทีนภูเขา ช, งงขาชิงเหลียงซันภูเขาชิงเหลียงซันแห่งหนึ่งอีกแห่งก็คือภูเขาเทียนไท่เทียนไท่ซันภูเขาเทียนไท่นี่ปัจจุบันอยู่ที่มณทลจีเจียงมณฑนจีเจียง ในกีฬากลางแล้วก็ท่านอาจารย์ปีเกียรติยื่อเจอนี่มีสำนักทำอยู่บนภูเขาลูกนี้ท่านได้วิจัยพุทธปรัชญาแล้วก็แบ่งจำแนกกาละที่พระบรมศาสดาแส ด, สแดงธรรมออกเป็นห้าสมัยคือหลังจากตั้งศึกษาพระไตรปิฎกอันจะถาดีกาจบแล้วท่านก็ประมวลผลได้าจากการศึกษาพระไตรปิฎกของท่านมาเป็นรูปของนิกายใหม่นิกายหนึ่ง คือการจับจำแนกระยะการที่พระบรมศาสดาแสดงคำออกเป็นห้ายุคยุคที่น่เมื่อพระบรมสาสดตรรุแล้วใหม่ๆณบริเวณโพธิมันพี่นุ่มได้แสดงพระสูตรอันสำคัญลึกซึ้งสุ ข, ขุมคัมภีรภาพที่สุดสุดนี้มีนามว่าพุทธาวตังประกาศมหาวัยปุริยสูตรออกตามสมเนียงจีนหลวงว่าต้าฟังกวางขวาเหยนจริง นขณะที่คุแสดงสูตรนี้นะ่ะกินเวลาสามสิบเจดวันด้วยกันประทับอยู่ในทิพยมนเรียเกษตรในบริเวณโอติมันสูตรนี้นะ่ะในพระสูตรต่ว่าแม้แต่พระอาหารหันต์ฟังยังไม่รู้เรื่องเพราะลึกเหลือเกิ น, กนขณะทูพระอาหารหันต์ฟังยังไม่เข้าใจเชียวนะเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราที่จะแย่ว่างั้นผู้ที่จะฟังเข้าใจเนะ่ยมีแต่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์ชั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อย่านั้นถึงจะฟังรู้เรื่อง ภาษาพวกที่มีเป็นท่านสาวกภูมิปังแล้วลุกออกจากบริษัทหมดไม่เข้าใจลึกซึ้งมากสแสดงสูตรนี่อยู่นี่เป็นยุคที่หนึ่งยุคนี้ถ้าจะเปรียบ ก, กับทางเทรวาสเราทางเทรว่าเราถือว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงพิจารณาคำภีอภิธรรมมุขพิจารณาถึงคำพีมหาประทานเกิดฉัพนรณงสีออกจากพระวรกายหรืออย่างนั้นแต่ว่าทางมาทางฝ่ายมหายานก็ ไปแทรกบอกว่าทรงแสดงสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องการพิจารณาพระอภิธรรมแต่พบอกพิจารณาทรงแสดงพระสูตรอนลุกซึงนี้ยุคที่สองเมื่อพระบริมศาสสดาหเห็นว่าพระศัพท์ธรรมที่พระองค์แสดงในยุคแรกนั้นลึกซึ้งเกินภูมิของมนุษย์จะฟังเพราะฉะนั้นจึงทรงผ่อนแก้ไขให้ง่ายลงมาเปลี่ยนมาทรงแสดงอริยสัจสีขณะอริยสัจสี่หนักนเป็นของง่ายแล้วแต่ว่าผ่อนลงมาให้ง่ายหน่อยแสดงอริยสัจสี่ ยุคนี้นะ่ะจินแสดงคติธรรมในฝ่ายอินนิยานล้วนๆรศสูตต่างๆในฝ่ายินิยานเกิดในยุคนี้กินเวลาประมาณ12ปีแสดงทศสูตรฝ่ายอินนิยานโปรดบรรดาผู้ที่มีภูมิชั้นสาวกคืออริยสัจสี่ยุคที่สามทรงพิจรารณาเห็นว่าบรรดาพระสาวกที่ฟั้งทำในยุคที่สองนั่นนะ่ะยังเข้าใจผิดอยู่นึกว่าธรรมะของพระองค์นะ่ะมีสูงสุดเพียงแค่นี้ซึ่งยังมีความเข้าใจผิด พระองค์จึงได้แสดงทำเรื่องภูมิภาษาวกให้เป็นมหายาตจึงได้แสดงคติธรรมทั้งหมดในฝ่ายมหายาติได้เทศนาพระสูตรต่างๆอาทิเช่นวิมารจีรตินิเทศสูตรสีมาลาเทวีสิงหนาทสูตรพุทธสาครสมาธิทญาสูตรสุรางคมะสมาธิสูตรสุขาวตีวายุหักสูตรมหาปณิปาตากายุหัสูตรฝันทีนิรโมดเจนะสูตรซึ่งไม่สูตรในฝ่ายมหาญาติในบาลีไม่มีหรอกเปนสูตรมหาญาติั้งนั้น สแสดงในยุคที่สามเป็นภูมิมหายานเรื่องชั้นสาวกขึ้นเป็นภูตสิสัตว์ยุคที่สี่บรรดาสาวกสิ้นรุ่นเรื่องภูมิเป็นภูติสัตว์แล้วยังมีความหลงผิดเบาบางติดอยู่ยังมีความยึดยังมีอัคติตาตัวยึดยึดยังมีความยึดในความมีความเป็นเช่นยังมีความยึดว่ามีพระนิพพาน <m> อันเราจะเข้าไปบรรลุมีวิมุตติอันเราจะเข้าไปหลุดพ้นมีวิมุตติธรรมที่เราจะเข้าไปได้ ยังมีความเข้าใจผิดนิดกๆหน่อยก็เป็นกระสายอยู่พระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมยุคที่สี่เทศนาบนญภูเขาขกิจกูฏแสดงหลักธรรมะฝ่ายสูญญาตาสูตรนี้ชื่อว่ามห า, ราปรัชญาปรมิตาหลักสุญญาตาทั้งนั้นสูตรนี้คติทรรในสูตรนี้ถ้าจะว่ากัน ย, ยอดยอดก็มีอ่า สุนรวัธรรมสุญยตาลักษณะอนุตปันนอนิรุธอมลาลนวิมลาอนุานาอมรณะปัมาสาริ t a สุนยตายมนาูตังเวดนาสัญญ า, าสัสรารวิชยาแปลโใจความว่าทำสิ่เนียมีความศูนเป็นลักษณะไม่เกิดขึ้นไม่ดับไปไม่มัวหมองโอภของแท้วไม่มีอะไรที่เรกวมัวหมองไม่มีอะไรที่โอของแท้วนะ ในดูก่อนสาริบุตรในความศูนย์นั้นไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็นาดไม่มีวิชาและอวิชาไม่มีความหลุดพ้นไปจากอาวิชาไม่มีทุกสมุทนานิโรธนะไม่มีการได้นิพานหรือการไม่ได้นิพานาแาสดงคติสุญญาตาเพื่อที่จะปัดล้างวามยึดถืออันเป็นชั้นละเอียดที่ติดในอัตตาให้หมดไปจากจิตใจของบรรดาประโกิสัตคติธรรมนี้ แสดงในมหาปรัชญาปรามิตาสูว่าลดอีกศูนต์ทั้งนั้นเปิดหน้าแรกก็ขึ้นศูนติเดียวผมยึดตาีเดียวยุคที่หา้าอันเป็นยุคสุดท้ายทรงแสดงธรรมะที่ลึกซึ้งเป็นยุคแรกอีกคือประมวลแล้วเห็นว่าบรรดาภาษาวกนะ่ะภูมิได้ลื่นชั้นเป็นลาดับแล้วจากชั้นเตรียมมาเป็นชั้นอุดมศึกษาเป็นลาดับชั้นนี้จะได้รับมอบบุษลีบัณฑิตกันให้ล่ะปริญญาได้รับสำเร็จชั้นๆแล้ว มีปริญญาณกันนะตอนจริงทรเป็ปริญญานี่แล่ละลูกเอาทางธรรมะไม่ใช่ทางธรรมะเราก็มีปริญญาสามมีมาแล้วตีระปริญญาเออ ย, ยาตระปริญญาเออยาสถณนปริญญาเออยเรามีปริญญาสามเหมือนกัน<ม>ทางมาหาญาท่านก็ถือว่าเมื่อบรรดาภาษาวกผ่านภูมิมาเป็นระดับทั้งแล้วมาชั้นสุดท้ายเมื่อจูนจุนจากการปรินิทานของพระบ ร, ษษ ร, รมศาสดาพระองค์จึงได้เปิดเผยธรรมะเป็นลิ้นลับที่สุดไม่เคยเปิดเผยก่อนเลย มาปวดเพา่อกวนปิงในตอนจูยางมีท่านนี่แหละองค์มลวงธรถมะที่ดีที่สุดแสดงสูตรสำคัญสองสูตรคือสัทธมกุลตริกกสูตรกับมาหาปริณีวรนสูตรสองสูตรสัทธมกุลริกสูตรนั่นะไม่มีในบารลีหรอกเนสูตรในมาหายานเขามีขึข้นเท่าโดยเฉพาะแต่มาหาปริณีวรนสูตร น, น่นะบาลีเรามีแต่มาหายาณขยายความยาวจากบาลีไปติกตัวเข้ามากมายทีพสดานมากนี่ยาวมากมาย พิมไม่เล่นสมุทรตัง้งหกเจ็ดเล่นหมาก็ 1, เ, าเล่นในพันสูตรเข้าเน่ะหกเจ็เล่นนี่เดียวมีข้อความที่ใน ม, มีในบาลีเยอะแยะเลยสรุปแล้วว่าตรงแสดงสองสูตรนี้เยมีใจความสําคัญอย่างไรในปฐมภูมิฤกษ์กสูตรนี้มีใจความแ ส, มส ด, ดงหเห็นว่าให้กรัรรดาภะสาวกพสงฆ์ที่ตัดเห็นว่าอย่าได้เข้าใจพระองค์ผิดว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเป็นเจ้าชายิยตถาและพระชนียี่สิบเก้าก็ออกบวช ถ้ชนสาสิบหกก็ตัดสรุปถ้าชนแปดสิบก็จะดับขันอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนี้นะแท้จริงภาวะอี่แท้ของพระองค์น่ะไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นอนาธิบุญปุ่นในปรากฏอ น, นันตะแพร่ซ่านอยู่ทั่วไปไม่มีจุดจบที่พระสาวกเห็นพระองค์แก่ชาราผ้าเห็นพระองค์ประชวรและเห็นพระองค์มีพานนั่นนะเป็นเพียงละครฉากหนึ่งซึ่งพระองค์มีรมิดขึ้นพระได้เห็นมีรมิดขึ้น คือพี่จะให้บรรดาสัพพสัตต์ในโลกนี้มันเกิดอนิจจสัญญามันเกิดนิพพิกาสัญญามันมันเกิดนิพพิทายานขึ้นมาให้ายๆความรู้ึเบื่อหน่ายเป็นภาพที่พระองค์มีมิตขึ้นพระองค์ดับแนี่ดัดขันจากทนี่จะไปปรากฏในโลกอื่ น, พงง น, นเพื่อจะทําหน้าที่เป็เพื่อธกิจโกรตต่อไปเพราะว่าภาวะของพระองค์น่ะไม่ใช่ความดับสูญอนุปาริเสสสัญญาธาตุน่ะไม่ใช่เป็นความหมายอย่างผู้เินยานเข้าใจกันถ้าวะขงพระองค์าน่ะเป็นคลิป เบื si ้องต้นในปรากฏห้ามการไม่ปรากฏเบื้องบ้านซ้ายไม่ดับศูนแผ่ซ่านอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่มีแห่งใดที่มีเาว่าพระองค์แผ่ซ่านไปได้แล้วก็ตรัสว่าจักประเสริฐเจู้่ในโลกนี้เน่ะมีพุทธะอยู่แล้วในตัวทุกคนวันทุกคนกําลังพัฒนาไปถึงความเป็นพุทธะแม้กระทั่งต้นไม้ต้นลายก็มีพุทธะอยู่ข้างในท่าแต่งความเป็นพุทธะอยู่แมลงตัวหนึ่งแมงมีตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่งก็มีท่าแต่งความเป็นพุทธะอยู่ในตัว เพราะว่าสัพพะต้องโกเน่ะย่อมมีชีวิตรวมกันเป็นหนึ่งเป็นเอกีภาวะในท่าแห่งความเป็นพุทธะนี้เป็นเอกีภาวะอันเดียวกันที่เรายังเห็นสัตพะโกงว่าบางคนโง่งบางคนฉลาด น, นั่นเป็นเพียงมายาข้างนอกมาปิดบังเอาไว้ถ้าจะดูกันแก่นแท้ภายในแล้วพุทธะก็คือเราเราก็คือพุทธะพุทธะไม่อื่นไปจากเราเราไม่เอื่นงไปจากพุทธะพุทธะอยู่ที่เราเราก็อยู่ที่พุทธะเป็นอย่างนี้เป็นเอกีภาวะหม นี่แปลว่าสัตธรรมบุญฤกษ์กระสุดละเผยความลี้ลับขั้นสุดท้ายออกมาแสดงคติธรรมอันนี้ออกมาส่วนในมหาปริณีวรณสูตรน่ะมีข้อใหญ่ใจกวางคือสอนบอกว่าจิตนี้เป็นอมาตะไม่เกิดไม่ดับไอพิการดับนั่นน่ะเป็นเพียงแต่อาการของจิตจิตแท้และจิตเดิมแท่นี่ประพัดสัมพัสธสอนประพัท ส, สอนใ น, น, นที่ว่านี้คือไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตบริสุทธ์นะจิตบริสุทธ ที่มีการสูดการดับรับรู้อารมณ์ต่างๆนะ่ะเป็นจิตรวงเป็นอาการของจิตอาการจิตกระตุกจิตไม่เหมือนกันเหมือนกันนกบถาดน้ํากับขื่นน้ํำขื่นน้ําก็ไม่ใช่ถาดนา้ําถาดน้าก็ไม่ใช่ขื่นนา้นนาน้านาํามันขืน่นน้ําจะมีขึ้นต้องมีถาดน้ําถ้าไม่มีถาดน้ํำขื่นน้ำก็ไม่ปรากฏขันใดความเกิดดับจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานความไม่เกิดดับไอความไม่เกิดดับก็คือจิต จิตนี้เรียกกันต่างาเรียกกันว่าทุตภภาวะบังเรียกว่าสถาคตคัพภะบ้างสถาคตคันน่ะตถาคตคัพภะห้องพระตถาคตเรียกอย่างนี้เรียกว่านิ้พาในจิตบ้างใช้คำว่านี้พาในจิตจิตคือนิพานเลยทีเดียวเพาตัวจิตนั่นแหละคือนิพานจิตที่บริสุทธิ์ตัวนั่นแหละคือนิพานเป็น อ, อย่างนั้น<ว>ในี่ในมห า, รารรปริญญาลัสูตรห้าสมัยเด็กะคณาจารย์จิวเจรหรือพี่เจีย